สิบสเสรยิกะวักหมวดว่าด้วยพระเสรยิกะเป็นต้นหนึ่งเสรยิกะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระเสรยิกะเทระพระเสรยิกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเขาพระเจ้าเป็นผู้คงแก่เรียนทรงมนจบไตรเพศยืนอยู่ในที่กลางแจ้ง ได้เห็นพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกสเสด็จเที่ยวอยู่ในป่าดุดราชสีไม่จะดุ้งกลัวดุดพญาเสือโครงทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ดุดช่างมาตังคพระตกมันสามแห่งข้าพเจ้าหยิบดอกไม้ซึกงโยนขึ้นไปบูชาในอากาศด้วยพุทธานุภาพดอกไม้ซึกทั้งหลายห้อมล้อมอยู่โดยประการทั้งปวงพระผู้มีพระภาคผู้ศัทธาอยู่ทรงมีความเพียรมาก ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกทรงอธิษฐานแล้วดอกไม้ทั้งหลายก็กระจายเป็นเครื่องมุงบางดอกไม้บูชาพระนราชพะโดยรอบลำดับนั้นแผ่นดอกไม้นั้นมีขั้วอยู่ข้างในมีหน้าอยู่ข้างนอกทําการมุงบางตลอดเจ็ดวันต่อแต่นั้นก็อันตรทานไปข้าพเจ้าได้เห็นความอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยมีหน้าขนพองสยองกล้าวนั้นแล้ว จึงทำจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้สุคต์ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกด้วยจิตที่เลื่อมใสนั้นเขาพระเจ้าถูกกุศลมนตักเตือนแล้วจึงไม่ไปเกิดยังทุคติเลยตลอดหนึ่งแสนกัปเนี่ยกัปที่หนึ่งพันสิบห้านับจากกัปนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพัทยี่สิบห้าชาติมีพระนามว่าวิลามาลามีภารานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี วิโมกแปและอภิญยาหกเขาพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระเซริยะกะเทระได้พาสิทธาถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้เซริยะกะเทราประธานที่หนึ่งจบ 2. ปุพพะทูปิยะเทราประธาน ประวัติในดิตชาติของพระปุปภะทูปิยะเถระพระปุปภะทูปิยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าในที่เม่ไกลภูเขาหิมพานมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อปุกกุระพราหมณ์ผู้จบมนอยู่ในถ้ำกลางภูเขานั้นสิทธิ์หนึ่งพันสิบห้าคนแวดล้อมเข้าไเจ้าอยู่ทุกเมื่อและสิทธิ์เหล่านั้นเป็นผู้ลุกขึ้นก่อนตื่นก่อนและนอนทีหลัง แก ล, กล้าในมนทั้งหลายมาแจ้งแก่ข้าพเจ้าว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกขอท่านจงทราบเถิดว่าพระองค์ทรงเจริญกว่าพวกเราพระองค์มีอนุพยัญชนะแปสิบมีพระลักษณะอันประเสริฐสาสบสองประการพระชินวรมีพระรัศมีแผ่ไปข้างละหนึ่งวารุ่งโรดดังดวงอาทิตย์พรามผู้จบมนฟังคาของผู้ศิษย์ดังนี้แล้ว จึงออกจากอาสมถามถึงชิดกับสิทธ์ทั้งหลายว่าพระผู้มีประภาคผู้มีความเพียรมากทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกประทับอยู่ณนภะูมิภาคใดเขาพระเจ้าเห็นภูมิภาคนั้นแล้วจึง น, นมสัสกรารพระชินมเจ้าผู้จะหาบุคคลเปรียบไม่ได้เขาพระเจ้ามีจิตเบิกบานมีใจยินดีจึงบูชาพระตถาคตนั้นมาเถิดสิทธ์ทั้งหลายพวกเราจะไปเฝ้าพระตถาคต จากกราบไหว้พระยุ ค, คลบาทของพระศาสดาแล้วจากฟังคําสั่งสอนของพระชินเจ้าเขาพเจ้าออกไปได้วันเดียวก็เกิดเจ็บไข้ถูกความเจ็บไข้เดียดเบียนจึงเข้าไปนอนที่ศาลาเขาพเจ้าประชุมสิทธิ์ทั้งหมดแล้วได้ถามพวกเขาถึงพระตถาคตว่าพระคุณของพระผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกผู้มีปัญญาเครื่องตรัสรู้อย่างยอดเยี่ยมเป็นเช่นไร สิทธิเหล่านั้นถูกข้าพเจ้าถามแล้วได้ตอบตามที่ตนเห็นมาแสดงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดนั้นเฉพาะหน้าของข้าพเจ้าโดยเคารพข้าพเจ้าฟังคำของสิทธิเหล่านั้นแล้วจึงทาจิต ข, ของตนให้เลื่อมใสใช้ดอกไม้สร้างเป็นพระสถูปแล้วได้จิ้นชีวิตลงณที่นั้นสิทธิเหล่านั้นเผาร่างกายของข้าพเจ้าแล้วได้ไปสํานักของพระพุทธเจ้าประคองอัญชลี ถวายอภิวาปพระาศาสดาเขาพระเจ้าใช้ดอกไม้สร้างเป็นพระสถูปเพื่อพระสุคตผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่จึงไม่ไปเกิดยังทุกติเลยตลอดหนึ่งแสนกับเนี่ยกลับที่สี่หมื่นนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสิบหกชาติมีพระนามว่าอาคีชมะมีพลานุภาพมากเนี่ยกลับที่สองหมื่นนับจากกลับนี้ไป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 ท่านพระปุกผะถูปิยะเทระได้พากฎคาถาเหล่านี้ด้วยประคาระชนีปุกผะถูปิยะเทราประทานที่สองจบสปายาสาทายกะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระปายาสาทายกะเทระพระปายาสาทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่า พระสัมมา ส, สัมพุทธเจ้าผู้มีพระชวีวันดังทองคำมีพระลักษณะอันประเสริฐสามสิบสองประการกำลังเสด็จออกจากป่ามีหมู่ภิกษุห้อมล้อมข้าพเจ้าประสงค์จะบูชายันจึงคดข้าวปลาย่าใส่ถาสัมฤทธิ์แล้วน้อมนำเครื่องพลีกรรมเข้าไปด้วยมือตนเองสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคผู้เจริญที่สุดในโลกทรงอ ง, งาอาจกว่านรชน เสด็จขึ้นสู่ที่จงกรมในอากาศซึ่งเป็นทางลมเขาพระเจ้าได้เห็นความอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยมีหน้าขนพองสยองกล้าวนั้นแล้วจึงวางถาสมฤตลงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าวิปสัสสีกราบทูลว่าข้าแต่พระมหามุนีพระองค์เป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าในโลกพร้อมทั้งเทวโลกและมนุษยโลกขอจงทรงอนุเคราะ รับข้าวปายาตของข้าพระองค์เถิดพระผู้มีพระภาคผู้สักดิ์สธ์อยู่ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกเป็นศาสดาผู้ยอดเยี่ยมในโลกทรงทราบความดำริของข้าพเจ้าแล้วจึงทรงรับไว้เนื้กลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายทานไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายข้าวปายาตินื้กลับที่สี่สิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไป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 ได้พาสกคถาเหล่านี้ด้วยประการศนิปายาสะทายกะเทราประธานที่สามจบสี 4. คันโททกิยะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระคันโททกิยะเทระพระคันโททกิยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้านั่งอยู่ในประสาทที่ประเสริฐได้เห็นพระชินเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ทรงเหมือนต้นรกฟ้าที่ยงงดงามเป็นพระจัพรพรรดิอยู่ทรงเป็นผู้นำสูงสุดพระองค์ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกเสด็จดำเนินไปในที่เม่ไกลประสาทรัศมีของพระองค์สว่างไสวในเมื่อดวงอาทิตย์อัสดงคดแล้วเขาพระเจ้าประคองน้ําหอมประพรมบูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดแล้วสิ้นชีวิตลงณที่นั้นด้วยจิตที่เลื่อมใสนั้น เนกกับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ประพรมน้ำหอมไว้จึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเนกกลับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปได้เป็นกษัตริย์ผู้จั ก, กรพรรดิพระนามว่าสุขันธ์สมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหก ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระคันโททัคกียเทระได้พาสัจคถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้คันโททกียะเทราประทานที่สี่จบห้สาสมมุคขาทวิกะเทราประทานประวัติในดีิชาติของพระสัมมุคขาทวิกะเทระ พระสัมุขขาทวิกกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในเดชชาตของตนจึงกล่าวว่าเมื่อพระวิปัสสีโพธิสัตว์ประสูติข้าพเจ้าพยากรนิมิตและทำหมู่ชนให้เย็นใจว่าพระโพธิสัตว์นี้จกเป็นพระพุทธเจ้าในโลกอันหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดประสูติมือนจักรวาลย่อมหวั่นไหวบัดนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาผู้มีพระจักสุ ทรงแสดงธรรมอยู่อันหนึ uh ่งพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดประสูติได้มีแสงสว่างเจรจ้าบัดนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาผู้มีพระจักสุทรงแสดงธรรมอยู่อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดประสูติแม่น้ำทั้งหลายไม่ไหลบัดนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาผู้มีพระจักสุทรงแสดงธรรมอยู่อันหนึ่ง พระผู้มีพระภาคพระองค์ใดประสูตยไฟในอเวจีนรกไม่ลุกโผล่บัดนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาผู้มีพระจักส응ุทรงแสดงธรรมอยู่อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดประสูตย์หมู่นกไม่สัญจรไปมาบัดนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาผู้มีพระจักสุทรงแสดงธรรมอยู่อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดประสูตย์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 บัดนี้พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นเป็นศาสดาผู้มีพระจักสุทรงแสดงธรรมอยู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอประสูตรแล้วเท่านั้นก็ทรงเหลียวดูทิศทั้งปวงแล้วทรงเปล่งอศพิวาจานี้เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทำหมู่ชนเนี้เกิดสังเวทแล้วชมเชยพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกถวายอภิวาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วปลายหน้าลีไปทางทิศตะวันออกเลขกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าชมเชยพระพุทธเจ้าไว้จึงไม่รู้จักทุกปฏิเลยนี้เป็นผลแห่งการชมเชยเลขกลับที่เก้าสิบนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีพระนามว่าสามุคขาทวิกะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการมีพลานุภาพมากเลขกลับที่แปสิบเก้านับจากกลับนี้ไป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าปัทวีทุนทุพิสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมากนกลับที่แปดสิบปดนับจากกลับนี้ไปได้เป็นกษัตริย์ผู้จักรพรรดิพระนามว่าโภาสะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมากนกลับที่แปดสิบเจ็ดนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสริตัดเฉทนะ สมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมากเนี่ยกลับที่86นับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าอคินิพพาะนะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมากเนี่ยกับที่85นับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าวาตัสมาสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมาก เนื่อกลับที่84นับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าคติปัจเทนะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมากเนื่อกลับที่83นับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่ารัตนปัจชละสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมากเนื่อกลับที่82นับจากกลับนี้ไป ได้เป็นพระเจ้าจักร พ, พรรดิพระนามว่าปทะวิกรมณะสมบูรณ ja e ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมากเนี right men, ้อกลับที่แปสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าวิโลกนะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมากเนี้อกลับที่แปดสิบนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าคิริสาระ สมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิน ญ, ญาหกเขาพระเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหละได้ทราบว่าท่านพระสา ม, มุขคาทวิกะเทระได้พาศิกย์คาเหล่านี้ด้วยประกาศนี้ สมุขหาทวิกะเทราประธานที่ห้าจบหกกุสุ ม, มาสเนยะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระกุสุ ม, มาสนนยะเทระพระกุสุ ม, มาสนนยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเกิดเป็นพรามอยู่ในกรุงทัญญวดีเป็นผู้เชี่ยวชาญในคำพีพยากรลักษณะคมภีอิติหะะ และไตรเทศพร้อมด้วยคำภีนิคันทุศาสตร์และคำภีเคตุภาสาสตร์ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าใจตัวบทเข้าใจไวยากรณ์ฉลาดในนิมิตจบไตรเพศบอกมนให้จิตทั้งหลายข้าพเจ้าวางดอกอุบลห้า ก, ก ร, รมัมไว้บนหลังของข้าพเจ้าประสงค์จะบูชายันในสมาคมบิดามารดาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าวิปัสสีทรงองค์อากรนรชน มีหมู่ภิกษุหอบล้อมสเสด็จมาทําที่ทั้งปวงให้สว่างสวยัยเขาพระเจ้าปูลาดอาสนะแล้วลาดดอกอุบล น, นั้นนิมนต์พระมหามุนีนําเสด็จไปยังเรือนของตนอามิตรใดที่เขาพระเจ้าตระเตรียมไว้มีอยู่ในเรือนของตนเขาพระเจ้าเลื่อมใสได้ถวายอามิตรนั้นแด่พระพุทธเจ้าด้วยมือทั้งสองของตนเขาพระเจ้าทราบเวลาว่าพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้ว จึงได้ถวายดอกอุบลกรรมหนึ่งพระผู้มีพระภาคผู้สัพพันอยู่ทรงอนุโมทนาแล้วบ่ายพระพักเสด็จหลีกไปทางทิศเหนือเนื้อกลับที่เก้าสบอ็ดนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ถวายดอกไม้ไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายดอกไม้เนื้อกลับที่ต่อจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพระนามว่าวรทัศนะ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 ขุสุมาชนิยะเทราประธานที่หก 7. พระละทายกะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระพละทายกะเทระพระพละทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นผู้คงแขเรียนทรงมนจบไตรเพศอยู่ในอาสมที่ม่ไกลภูเขาหิมพาน เครื่องบูชาไฟและเมล็ดบัวขาวของข้าพเจ้ามีอยู่ของทั้งหมดข้าพเจ้าใส่ไว้ในกระจาดแล้วคล้องไว้ที่ยอดไม้พระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมมุตระผู้ทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชาพระองค์ประสงค์จะช่วยข้าพเจ้าเมื่อจะเสด็จเที่ยวบินธบาตจึงเสด็จเข้ามาหาข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ถวายเมล็ดบัวแด่พระพุทธเจ้า พระองค์ทรงทำปิติให้เกิดแก่เข้าพระเจ้าทรงนำความสุขมาให้ในปัจจุบันพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระชวีวันดังทองคำผู้สมควรรับเครื่องบูชาประทับยืนอยู่ในอากาศได้ตรัสพระคถานี้ว่าด้วยการถวายมาเมล็ดบัวนี้และด้วยการตั้งเจตนาไว้มั่นผู้นี้จะไม่ไปเกิดยังทุกขติเลยตลอดหนึ่งแสกัล ด้วยกุศลโม้นั้นนั่นแหลเขาพระเจ้าได้สวยสมบัติแล้วและความชนะและความแพ้ได้แล้วบรรลุฐานะที่ไม่หวั่นไหวในกลับที่หนึ่งเจนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสุมังคระสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมากควณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสสมพิทาสี่วิโมกแปและอภิญญาหกเขาพระเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระพรละทายกะเทระได้พาสิคถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้พะละทายกะเทราประธานที่เจ็ดจบแปาณสัญญกะเทราประธานประวัติใน ต, ติจฉาของพระยานสัญญกะเทระพระยานะสัญญกะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในดิจตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าอยู่ในระหว่างภูเขาที่ภูเขาหิมพานได้เห็นกองทรายงดงามแล้วหวนระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดการเปรียบเทียบในพระยานไม่มีสงครามเพื่อการปรุงแต่งไม่มีแก่พระศาสดาพระศาสดาทรงรู้ธรรมทั้งปวงแล้วตัดสินใจด้วยพระยานข้าแต่พระองค์ผู้เป็นบุรุษอาชาในย ข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์ข้าแต่พระองค์ทรงเป็นผู้สูงสุดแห่งบุรุษขอนอบน้อมพระองค์ผู้ที่เสมอด้วยพระยานของพระองค์ไม่มีตราบเท่าที่พระยานสูงสุดของพระองค์ยังมีอยู่เขาพระเจ้าทําจิตให้เลื่อมใสในพระยานแล้วบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดกลับหนึ่งในกลับทั้งหลายที่เหลือเขาพระเจ้าทํากุศลไว้แล้วเนี่กลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไป ข้าพเจ้าได้ความทรงจำไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งความทรงจำในพระญาณในกลับที่เจ็สิบสามนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งพระนามว่าปุริ น, นะปุพพยะสมบูรณ์ด้วยรัชนเจ็ดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้เกิดปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิ ญ, ญาหกข้าพเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระญานสัญญกะเทระได้พาสุดคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ญาณสัญญะเทราประธานที่แปดจบเกคันติปุพพิยะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระคันติปุพพิยะเทระพระคันติปุพพิยะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าวิปัสสีผู้มีพระชวีวันดังทองคำผู้สมควรแก่ทักษณามีหมู่สาวกหคอมล้อมเสด็จออกจากอารามข้าพเจ้าได้เห็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดหาอาสวะมิได้จึงมีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ใช้พวงดอกไม้บูชา ด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้คงที่เขาพระเจ้ามีจิตร่าเริงเบิกบานถวายอภิวาทพระตถาคตอีกเี่กลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเี่ยกลับที่สี่สิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไป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 ท่านพระคันธิปุพยเทระได้พาสุขคาถาเหล่านี้ด้วยประกาศนี้คันติปุพยเทราประธานที่เก้าจบสิบปัทุมะปูชกะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระปัทุมะปูชกะเทระพระปัทุมะปูชกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่า ในที่ไม่ไกลภูเขาหิมะพานมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อโคตมะดาดเดินไปด้วยต้นไม้นาน า, นาชนิดเป็นที่อยู่ของหมูมหาพูดคือยักษ์อาสมได้สร้างไว้ในถ้ากลางภูเขานั้นข้าพเจ้ามีสิทธิ์ของตนห้อมล้อมอยู่ในอาสมดรวยกล่าวกับสิทธิ์ว่ามาเถิดคณะสิทธิ์ของเราจงนำดอกประทุมมาให้เราเราจะทาการบูชาพระพุทธเจ้าแด่พระผู้มีพระภาค ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้คงที่สิทธิเหล่านั้นรับคําที่ข้าพเจ้าสั่งอย่างนี้แล้วจึงนําดอกประทุมมาให้ ข, ข้าพเจ้าข้าพเจ้าทําเครื่องหมายอย่างนั้นแล้วจึงบูชาพระพุทธเจ้าครั้งนั้นข้าพเจ้าประชุมสิทธิทั้งหลายแล้วพร่ำสอนเป็นอย่างดีว่าเธอทั้งหลายอย่าได้ประมาทเลยความไม่ประมาทเป็นเหตุนําความสุขมาให้ข้าพเจ้าครั้นพร่ำสอนสิทธิทั้งหลายของตน ผู้อดทนต่อคําสอนอย่างนี้ประกอบตนในคุณคือความไม่ประมาทแล้วได้ชีนชีวิตลงในครั้งนั้นเนื้กลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเนื้กลับที่ห้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าเทลุตตมะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการ มีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญยาหกเขาพระเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธ เ, เจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระปทุมะปูชกะเถระได้พาสึกขาเหล่านี้ด้วยประการศนี้ปทุมะปูชกะเถราประธานที่สิบจบ เซเรยกะวักที่13จบบริบูรณ์รวมอภทานที่มีในวักนี้คือ 1. เสเรยกะเทราประทาน 2. ปุกพะถูปิยะเทราประทาน 3. ปายาสะทายกะเทราประทาน 4. ครันโททกิยะเทราประทาน 5. ้าจามุขาทวิกะเทราประทาน 6. กุสุมาสัญญาเทราประทานเจพละทายกะเทราประทาน 8. ญาณสัญญาเทราประทาน 9. กคันติปุพิยะเทราประทานสิ 10. ปทุมะปูชกะเทราประทานบัณฑิตผู้เห็นแจ้งอัดรูปรวมคถาไว้หนึ่งห้าคถา สโสพิตะวัคหมวดว่าด้วยพระโสพิตะเป็นต้นหนึ่งโสพิตะเทราประทานประวัติในดิตชาตของพระโสพิตะเทระพระโสพิตะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าพระชินเจ้า พ, พระนามว่าปทุมุตตะผู้เจริญที่สุดในโลกทรงอง์อาจกว่านรชน ทรงแสดงอมตะ บ, บทเกลหมู่ชนจานวนมากอยู่ครั้งนั้นข้าพเจ้าได้ฟังพระธรรมรัสของพระองค์ที่เปล่งออกด้วยอาศพิวาจาแล้วจึงประคองอัญเชลีเป็นผู้มีจิตมีอารมณ์เดียวกล่าวว่าสมุดล้าเลิศ ก, กว่าทะเลทั้งหลายภูเขาสิเนรุประเสริฐกว่าภูเขาทั้งหลายชั้นใดชนเหล่าใดเป็นไปตามอํานาจจิตชนเหล่านั้นไม่ถึงเซี่ยวหนึ่งแห่งพุทธญาณชั้นนั้น พระพุทธเจ้าทรงเป็นฤาษีทรงประกอบด้วยพระกรุณาทรงพักการแสดงธรรมแล้วประทับนั่งอยู่ในถ้ำกลางหมู่พิษุได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าผู้ใดสรรเสริญพระญาณในพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นําสัตว์โลกผู้นั้นจะไม่ไปเกิดอย่างทุ ก, กติเลยตลอดหนึ่งแสนขับผู้นั้นจะเผากิเลสทั้งหลายได้แล้วเป็นผู้มีจิตมีอารมณ์เดียวมีใจตั้งมั่น มีนามว่าโสพิตะเป็นสาวกของพระศาสดาในกัปที่หนึ่งันห้าสนับจากกัปนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพัฏเจตชาติพระนามว่าสมุขตะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมากกิเลสทั้งหลายเข้าพระเจ้าเ็เผาได้แล้วพบทั้งปวงเข้าพระเจ้าก็ถ t h n ได้แล้ววิชาสามเข้าพระเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลาดับ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 โซพิตเทราประทานที่หนึ่งจบสองสุทัศนเทราประทานประวัติในดิิตชาติของพระสุทัศนเทระพระสุทัศนเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าที่ใกล้ฝั่งแม่น้ำอันกว้างใหญ่มีต้นเลียบกำลังผลผลอยู่มากมายเมื่อข้าพเจ้าสแสวงหาต้นไม้นั้นจึงได้เห็นพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก ครั้งนั้นข้าพเจ้าเห็นต้นกะระเกตมีดอกบานสะพรั่งจึงตัดที่ขั้วแล้วบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีผู้เป็นเผ่าพันธ์ของโลกเลือกราบทูลว่าข้าแต่พระมหามุนีพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดพระองค์ทรงบรรลุอมตะบทที่ไม่จุติด้วยพระญาณใดข้าพระองค์ขอบูชาพระญาณนั้นครั้งข้าพเจ้าบูชาพระญาณแล้วจึงได้เห็นต้นเลียบ ข้าพเจ้าได้ปัญญานั้นนี้เป็นผลหนึ่งการบูชาพระญาณเนื้อกลับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลหนึ่งการบูชาพระญาณเนื่อกับที่สิบสามนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสิบสองชาติมีนามเหมือนกันว่าพลุคคตะสมบูรณ์ด้วยรสนะเจประการ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 จันทนะปูชกะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระจันทนะปูชกะเทระพระจันทนะปูชกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นกินนอนอาศัยอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำจันทภาคามีดอกไม้เป็นพักษานุ่งห่มดอกไม้พระผู้มีพระภาคพระนามว่าอัฏฐทัตสีผู้เจริญที่สุดในโลก ทรงองอาจกว่านรชนเสด็จเหาะไปตามชายป่าดังพญาหงในท้องฟ้าเขาพระเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นบุรุษอาชาในข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์จิตพระองค์บริสุทธิ์ดีพระองค์มีสีพระภาคผ่องใสมีพระไทยผ่องแผ้วพระผู้มีพระภาคผู้มีปัญญาดังแผ่นดินมีปัญญาดีเสด็จลงจากอากาศ ทรงปูราดผ้าสังฆาติแล้วประทับนั่งขัดสมาธิเขาพระเจ้าถือเขียนจันหอมอย่างละเอียดได้ไปยังสำนักพระชินเจ้าเขาพระเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้บูชาพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าถวายอภิวาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อาจกว่านราชน์ทำความปราโมทที้เกิดขึ้นแล้วบายหน้าลีไปทางทิศเหนือ เนก้อกับที่หนึ่งร้อยสิบปดนับจากขับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ใช้แก่นจันบูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกปฏิเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเนื้อขับที่หนึ่งร้อยสิบสี่นับจากขับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสามชาติพระนามว่าโรหิณีมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหก ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระจันทนปรปูชกะเทระได้พาสุดคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้จันทกะปูชกะเทราประทานที่สามจบพาณวาระที่แปดจบสปุพหชาตัยญเทราประทาน ประวัติในดิตชาตของพระปุกผชัตนิยะเถระพระปุกผชัตนิยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าพระมีนามว่าสุนันทะเป็นผู้คงแก่เรียนจบมนเป็นผู้ควรแก่การขอได้บูชายันชื่อว่าวาชะเปยยะกล่าวคําอ่อนหวานครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตระ ทรงรู้แจ้งโลกทรงเป็นผู้เลิศทรงเป็นฤาษีประกอบด้วยพระกรุณาทรงอนุเคราะห์หมู่ชนสเสด็จจงครมในอากาศพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สักพันอยู่ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกไม่มีอุปธิครั้นเสด็จจงครมแล้วทรงแผ่มเมตตาไปในหมู่สัทหาประมาณมิได้พราหมณ์ผู้จบมนเด็ดดอกไม้ที่ขั่วแล้วประชุมสิทธิทั้งหมด ให้ช่วยกันโยนดอกไม้ขึ้นไปในอากาศครั้งนั้นล้างคาดอกไม้ได้มีทั่วนครไม่หายไปตลอดเจ็ดวันด้วยพูททานุภาพด้วยกุศลมูลนั้นนั่นเองเาพเจ้าได้เสวยสมบัติกำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้วข้ามกระแสตัญหาที่ร้านไปในโลกได้แล้วเรียกกลับที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปได้เป็นกษัตริย์ผู้จั ก, กรพรรดิสามสิบห้าชาติ มีพระนามว่าอัมพะรังสะมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพทาสี่วิโมก8ปและอภิญยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระปุพพชัฏนิยะเทระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการศนี้ ปพระชาตนิยะเทราประทานที่สี่จบห้ระหสัญญิกะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระระหสัญญกะเทระพระระหสัญญกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าในที่เมื่ไกลภูเขาหิมพานมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อว่าวัสภะเขาได้สร้างอาสมไวสําหรับข้าพเจ้าที่เชิงภูเขานั้น ครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นพราหมณ์บอกมนแก่สิทธิสามหมื่นคนรวบรวมสิทธิเหล่านั้นแล้วเข้าไปอยู่ณที่สมควรแห่งหนึ่งข้าพเจ้าเป็นพราหมณ์ผู้จบมนนั่งณที่สมควรแล้วแสวงหาผู้โทวเวททำจิตให้เลื่อมใสายในพระญาณข้าพเจ้าครั้นทำจิตให้เลื่อมสายในพระญาณ น, นั้นแล้วนั่งขัดสมาธิอยู่บนเครื่องลาดใบไม้ได้สิ้นชีวิตลงณที่นั้น ในกลับที่ส1สิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปขราพรเจ้าได้ความทรงจำไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งความทรงจำในพระาญาณเนกลับที่ยีสิบเจดนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดินามว่าสิริธระสมบูรณ์ด้วยรัตนเจดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกปและอภิน ญ, ญาหก ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระระโโหสัญญกะเทระได้พาสึกคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ระโโหสัญญกะเทราประทานที่ห้าจบหกจำปะกะบุพยะเทราประทานประวัติในดิชาติของพระจำปะกะบุพยะเทระ พระจัำประกระปุพิยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าเวชภูผู้โชดช่วงดังดอกกัิกาประทับนั่งอยู่ระหว่างภูเขาทรงทําทิศทั้งปวงให้สว่างดังดาวประกายพลึกได้มีมานกสามคนเป็นผู้ศึกษาดีแล้วในศิลปะของตนคอนสาแหลกบริขานเดินตามหลังข้าพเจ้าไป ข้าพเจ้าผู้มีตาบะได้เก็บดอกจำปาเจ็ดดอกใส่ไว้ในกระจาดข้าพเจ้าถือดอกไม้เหล่านั้นไปบูชาพระยานของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าเวสภูเนกลับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระยานเนี่กลับที่ยี่สิบเก้าได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดินามว่าวิหะตาพาฏ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 แจมปะกะปุพิยะเทราประทานที่หจบ7อัฏฐสันทัศกะเทราประทานประวัติในเดตชาของพระอัฏฐสันทัศกะเทระพระอัฏฐสันทัศกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในเดตชาของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้านั่งอยู่ในโรงกว้างใหญ่ได้เห็นพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้นำศาสตว์โลกสิ้นอาชวะแล้ว บรรลุพระธรรมมีหมู่ภิกษุห้อมล้อมพิสุสง์ประมาณหนึ่งแสนรูปบรรลุวิชาสามได้อภิญญาหกมีฤทธิ์มากแวดล้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครเล่าเห็นแล้วจะไม่เลื่อมใสการเปรียบเทียบในพระญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดไม่มีในโลกพร้อมทั้งเทวโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระญาณไม่สิ้นสุด ใครเล่าเห็นแล้วจะไม่เลื่อมใสอันหนึ่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงแสดงธรรมกายซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งรัตนะทั้งสิ้นชนทั้งหลายไม่สามารถจะให้ความเริบได้ใครเล่าเห็นแล้วจะไม่เลื่อมใสนารถาพรามนั้นชมเชยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตะผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้ด้วยสามคาถาเหล่านี้แล้วได้เดินไปข้างหน้า ด้วยจิต ท, ที่เลื่อมใสและด้วยการชมเชยพระพุทธเจ้านั้นเขาพระเจ้าจึงไม่ เ, เกิดในทุกติเลยตลอดหนึ่งแสนกับในกลับที่หนึ่งร้อยสามสิบนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพัฒ์พระนามว่าสุมิตะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้เพื่อปฏิสัมพิทาสี่วิโมกปและอภิน ญ, ญาหกเขาพระเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้ว